เวลาเราเจริญสติจับเอาของจริงมาให้จิตดูจิตจะเรียนรู้เองจิตจะเรียนรู้เองที่เราท่องกันอยู่ศึกษาจากการฟังจากการอ่านเนี่ยจำใส่สมองจำใส่สมองเป็นแนวทางให้ไปฝึกกันต่อฝึกให้เกิดเจริญวิปัสสนาขึ้นมาไตรลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เอาไว้จำแต่เอาไว้เห็นไตรลักษณ์นี่นะเอาไว้เห็น ภาษาก็เรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เจริญกรรมฐานเจริญสมถกรรมฐานเจริญวิปัสนากรรมฐานจนจิตเห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เจริญสมถะเจริญวิปัสนาจนจำได้จนจำไตรลักษณ์ได้ไม่ใช่จนจิตเห็นไตรลักษณจจจจกจจเก์เวลามีสติคือจิตเห็นสภาวะใช้คำว่าเห็นนะจิต เห็นสภาวะไม่ใช่ว่าฟังมาแล้วท่านจําได้อธิบายได้ว่าราคาเป็นยังไงแต่ไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้เรียกว่ายังไม่เจริญสติโทสะเป็นยังไงท่านอ่านตํารามาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่เคยเห็นเลยยังไม่ชื่อว่าเจริญสติเห็นโทสะแต่โทสะเกิดขึ้นโอ้ย่างงี้เห็นโทสะเกิดขึ้นมีราคาใจชักยิ้มเยิ้มตาชักชำชำชักเอาละราคาเกิดขึ้นแล้วราคาเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ มีสติรู้ขึ้นมาเรียกว่ามีสติคือมันเห็นต้องเห็นเห็นที่ว่าเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในใจไม่ใช่เห็นรูปร่างลักษณะว่าเจอคนนี้แล้วขนตาเป็นแฉกฉันชอบไปเห็นขนตาเขาแล้วจำได้ไม่ใช่เห็นหน้าคนนี้แล้วชอบไม่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่จำหน้าเขาได้แต่จำสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจได้จาได้ว่าเมื่อกี้นี้มีราคะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีโทสะเกิดขึ้น รู้ระลึกดูได้แล้วจิตมันจะสะสมทักษะจะสะสมข้อมูลเกิดทักษะขึ้นมาสรุปเป็นความรู้อีกอีกชุดหนึ่งว่าเฮ้ยมันก็เกิดดับเฮ้ยมันก็เปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันบังคับไม่ได้แล้วแต่จิตมันจะสรุปจิตมันจะเห็นขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าเกิดวิปัสสนามีการเจริญวิปัสสนาขึ้นมาในจิตต้องเห็นในแง่มุมอย่างนี้บางคนก็ แยกรูปแยกนามก่อนที่จะมาเข้าใจตรงนี้ก็แยกรูปแยกนามบางทีก็เห็นกายากายเป็นอย่างนี้เวลาบางทีก็เห็นเป็นนามธรรมอย่างเห็นเวทนาเนี่ยเห็นนามธรรมานามธรรมาในเวทนาเวทนาเนี่ยกับกายคนละอย่างกันเวทนากับใจก็คนละอย่างกันใจเป็นผู้รู้เวทนาเกิดขึ้นถูกรู้อยู่แล้วก็ไม่ใช่กายด้วยอย่างนี้แยกรูปแยกนามบางคนแยกรูปแยกนามมาตั้งแต่อดีต พอมาชาติปัจจุบันได้รับความสั่งสอนแน่อีกนิดเดียวเห็นได้เลยมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นพรามเขาก็เป็นคนใจบุญรักดีเป็นคนใจบุญเกิดอยู่ที่กรุงราชครึกชอบให้ทานชอบให้ทานเวลาเจอใครที่สมควรให้แกก็จะรีบให้เป็นคน รักดีแล้วก็ใจบุญวันหนึ่งแกนั่งอยู่หน้าบ้านบ้านเศรษฐีนะนั่งอยู่หน้าบ้านกินข้าวมาัทุปายาตอาหารอย่างดีที่แบบ น, นันนานจะทำสักครั้งหนึ่งแต่นั่งหันหน้าเข้าเข้าในตัวบ้านหันหลังให้ถนนเศรษฐีอินเดียเนี่ยนะหน้าบ้านกับถนนเนี่ยไม่ได้ไกลนะเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยนั่งหันหน้าเข้าหาบ้านเนี่ยพระเดินบิดบานไม่เห็นหล เศรษฐีอินเดียเนี่ย น, น, นะนั่งอยู่หน้าบ้านพระเดินมิตรบาตเนี่ยเห็นได้คราวนี้ไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาผ่านมามาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านภรรยาของเศรษฐีเห็นเขา้า mm? เห็นแ ล, ะละ้วล่ะว่าพระพุทธเจ้าเดินมาแล้วมาหยุดด้วยใจก็นึกว่าเศรษฐีนะถ้าเห็นพระพุทธเจ้ามายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยต้องให้แน่ๆเลยอาหารเนี่ยนะต้องให้พระพุทธเจ้าแน่ๆเลยใจก็นึกว่า เดี๋ยวฉันจะต้องทำใหม่ถ้าเอาไปนะเดี๋ยวฉันต้องต้องใหม่งั้นฉันยืนบังดีกว่าหันหลังให้แล้วด้วยนะเศรษฐีนี่หันหลังให้แล้วด้วยนี่อย่างเงี้ยเลยพุทธเจ้าอยู่เนี้ยเศรษฐีนั่งอยู่เนี่ยอาหารอยู่นี่เมียก็มายืนบังอีกยืนบังไม่ไม่ให้เห็นพรุทธเจ้าบังบัญญาด้วยนะบังแบบโค้งๆแบบนาปลกแต่นี้ไม่ใช่หนา้าปกเมียกปก คงคงคือแบบแม้จะแงะไปดูเนี่ยนะก็ะไม่เห็นจะเห็นแต่เมียเศรษฐีก็นึกว่าเมียโอ้โหเอาใจน่าดูเลยวันนี้ <c oughs> กินไปกินแล้วด้วยนะยกินไปเศรษฐีกาลังกินอยู่เนี่ยเมียก็ขนาดที่โค้งอยู่เนี่ยนะก็เหลืบไปดูนึกออกใช่ไหมโค้งอยู่เนี่นะออยก็เหลืบไปดูได้แล้วก็ทำมือ <c oughs> ไปไปไนึกว่าจะพูดดังก็ไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผัวได้ยิน เอามือปัดไปไปไ ป, ประมาณอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็แน่มากเลย <laughs> สันนาเมาีไปไปพุทธเจ้าสันนาไม่ไป <laughs> ไม่ส่งเสียงด้วยนะพุทธเจ้ามารยาท ด, ดีมากนะไม่ยียแบบไปไปไปอย่างงี้นะพุทธเจา้า <laughs> เขาันรยายละเอียดนะในคัมพีรนะบรรยายละเอียด สันหน้าไม่ไปเมียก็ทำยังไงดีในขณะที่กําลังนึกว่าจะทํายังไงดีอยู่เนี่ยพระเจ้าทําก่อนพระเจ้าเปล่งรัศมีฉับพันนรังสีเคยได้ยินไหมแสงหกสี <c oughs> เหมือนผ่านปริซึมไปนะฟ <c oughs> ู่ไปนะมีใสสีหกสีที่เขาเอามา ท, ทําธงธงเมืองไทยเนี่ยนะถ้าเป็นธงเกี่ยวกับาศาสนาเนี่ยเป็นธงธรรมจักรใช่ไหมแต่ประเทศอื่นเนี่ยก็ทําธงฉับพันนรังสี เป็นธงที่มีสีหกสีฉับพันก็คืออคําว่าฉะชอชิงเนียะฉะเนย น, นะแปลว่าหกแต่ฉะภาษาไทยคือชกกันใช่ไหมภาษาบาลีฉะแปลว่าหกพันคือวันณนะพอพานวาแหวนเนี่ยมันทีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลนะแต่เปลี่ยนก็เปลี่ยนให้ดีเปลี่ยนคำให้ถูกต้องเช่นประเพณีปเปลี่ยนเป็นประเวณีเนี่ก็มันเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวบอลประเพณีจะ ธรรมศาสตร์กับจุฬาจะมีประเวณีไม่ได้ <laughs> มีบอลประเวณีบอลประเวณีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฉ <laughs> ับพันรังสีคือรังสีหกสีรังสีคือแสงฉะไปว่าหกพันคือสีวันณนะสีหกแสงก็เปล่งออกไปเปล่งออกไปมันก็นั่งหันหน้าสมมติมันเป็นฝาถัดไปอีกหน่อยนะถัดไปหน่อยเป็นฝากระดานฝาฝาบ้าน แสงก็ไปกระทบกับฝาเศรษฐีก็เห็นแสงเศรษฐีเห็นแสงเห็นแสงเฮ้ยแสงแปลกก็หันไปดูคนนี้เมียบังไม่ได้แล้วแสดงว่าเมียไม่อ้วนเมียบังไม่ได้หันไปดูอา้าวพระมาก็เลยตายแล้วอาหารของเราเน่กินไปแล้วทำไงดีแต่นิสัยตัวเองเนี่ยชอบให้ทานแล้วของในบ้านเนี่ย อาหารในบ้านที่เลิศเนี่ยมันไม่เท่านี้มีอยู่เหมือนกันแต่มันไม่เลิศไม่ใช่ของเลิศของที่ตัวเองกินเนี่ยเลิศในบ้านเพราะตัวเองเป็นเศรษฐีเนาะก็เลิศแล้วเนี่ยจะให้ของที่เลิศตัวเองก็กินแล้วทำยังไงแบ่งครึ่งเวลากินเขาไม่ได้กินแบบกวนๆเนาะแสดงว่าไม่ใช่โจกสามารถแบ่งได้กิน สามารถแบ่งเป็นเป็นกองได้สองกองถามพุทธเจ้าว่ารังเกียจไหมของที่ดูเหมือนเป็นเดนรังเกียจไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าภิกษุสแสวงหาอาหารตามแต่ที่จะมีผู้ให้เหมือนกับเปรตท่านเปรียบเปรียบพระเหมือนเปรตนะแต่ในในแง่ของการสแสวงหาว่าแล้วแต่ผู้ให้ เปรตเนี่ยเวลาคนจะอุทิศบุญให้เนี่ยนะเปรตไม่มีสิทธิ์เลือกอุทิศอะไรก็เปรตอนุโมทนาอย่างเดียวพระเหมือนเปรตในแง่ของการสแสวงหาว่าถ้าเขาให้อะไรก็ยินดีในสิ่งนั้นไม่เลือกว่าเป็นของสกรปรกไม่เลือกว่าเป็นของผู้ดีหรือยาจกที่ไหนสิ่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ถ้าท่านเต็มใจให้เราก็เต็มใจรับยินดีเศรษฐีได้ฟังกนรู้สึกโอ้โหปลื้มใจมากเลยว่าสมณะรูปนีนะ้มีวาจาอ่อนหวานถ้าเป็นองค์อื่นคงไม่เอามันคือเดนมันคือเดนคือของที่กินแล้วถึงแม้จะพยายามทำใจว่าแบ่งแต่มันก็คือเดนแต่พระเจ้ายินดีรับและรับด้วยรับเอาไปฉันก็นิมนต์ นี่เหมืนมาฉันฉันแล้วก็อาราธนาพระพุทธเจ้าว่าขอท่านจงแสดงธรรมที่เหมาะกับกระหม่อมฉันด้วยเหมาะ ก, กับข้าพรเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าก็ดูเล็งดูว่าคนนี้ทำอะไรมาในอดีตเห mm hmm. ็นแล้วว่าทั้งผัวทั้งเมียเนี่ยเคยทำกรรมฐานแยกรูปแยกนาม mm hmm. ใครทำแยกรูปแยกนาบ้างแยกเป็นไหม แต่ท่านเห็นแล้วว่าผัวเมียคู่นี้เคยทํากรรมฐานแยกรูปแยกนามมาก่อนท่านก็แยกรูปแยกนามต่อแสดงทำแบบแยกรูปแยกนามต่อรูปเป็นอย่างนี้นามเนยนะท่านแสดงว่าความเป็นเราเนี่ยที่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยที่เราว่ามันเป็นเราเนี่ยจริงๆแล้วมันประกอบด้วยส่วนประกอบ5อย่าง5อย่างนั้นเนี่ยถ้รวบได้ก็เป็นสองก็คือ รูปกับนามที่ว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยดูดีๆนะมันมีรูปกับนามรูปคือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายถ้าดูได้เนี่ยคือรูปถ้าฟังได้เนี่ยคือรูปถ้าดมได้เนี่ยคือรูปถ้าชิมได้คือรูปถ้าสัมผัสได้คือรูปนี่ไดมัดารูปทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ย จริงๆแล้วมันคือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองน่าจะารูปแล้วก็มีนามนามธรรมาคือที่ดูด้วยตาก็ไม่ได้ฟังด้วยหูก็ไม่ได้ดมด้วยจมูกก็ไม่ได้ลิ้นลิ้นเลียก็ไม่ได้สัมผัสด้วยมือก็ไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเรียกว่านามมาธรรมนามมาธรรมเนี่ยแยกกไัได้อีกเป็นสี่ เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆความจําได้หมายรู้จําได้บ้างลืมบ้างอะไรเงี้ยความปรุงแต่งคิดนึกเป็นบุญบ้างเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นบาปบ้างอะไรเงี้ยคิดนึกต่างๆปรุงแต่งต่างๆเรียกว่าสังขารอันแรกเรียกว่าเวทนาอันที่สองเรียกว่าสัญญาอันที่สามเรียกว่าสังขารแล้วมีอีกตัวหนึ่งคอยรู้ไปหมดเลยเดี๋ยวก็รู้ทางตาเดี๋ยวก็รู้ทางหูเดี๋ยวรู้ทางจมูก เดี๋ยวรู้ทางลิ้นเดี๋ยวรู้ทางกายเดี๋ยวก็รู้ความคิดนึกในใจตัวนี้เรียกว่าวิญญาณสิ่งเหล่านี้ไม่มีเราเลยสักอย่างเดียวเกิดดับอยู่เสมอสร้างปัญหาให้กับผู้ที่หลงผิดว่าเป็นเราก่อทุกข์ให้อยู่เสมอเศรษฐีและภรรยาฟังบรรุธรรมไม่ได้ลุคันธรรมดาด้วยเป็นพระอนาคามีเอาไหม <laughs> ดูนะแยกรูปแยกนามรู้จักใช่ไหมรูปเป็นยังไงนามเป็นยังไงแยกไม่ได้ก็จํจำไปก่อนแล้วเจริญสติดูดูของจริงดูของจริงเนี่ยมันจาเป็นต้องเจาะจงไปดูรูปหรือเจาะจงไปดูนามอะไรที่มันเคลื่อนไหวชัดเจนแจ่มแจ้ง <laughs> ดูอันนั้นเดินเดินไป ไม่มีอะไรให้ดูดูกายแต่ถ้าเดินเดินไปแล้วเห็นอะไรและชอบใจดูความชอบใจเห็นแล้วไม่ชอบใจดูความไม่ชอบใจตากแดดจาักกาังวลและฉันจะเป็นอะไรผิวจะคล้ำหรือเปล่าเพิ่งทำเบบี้เฟสมาเดี๋ยวนี้ก็ยังทำกันอยู่ไหม <c oughs> ทำกันอยู่เลอ <c oughs> ฉันเพิ่งไปฉีดอะไรมาซึ่งไปใส่อะไรนะเส้นไหมทองมีใครใส่บ้างหรือเปล่า โดนแดดไม่ได้อะไรเงี้ยกังวลตกใจกังวลเกิดขึ้นรู้ความกังวลตกใจเกิดขึ้นรู้ความตกใจมีคนทักว่าโอ้โหหน้าตาเปลี่ยนไปนะดูดีเปล่งปลัง่งดีใจให้รู้ว่าดีใจดูได้ทั้งของดีและของไม่ดีที่เกิดขึ้นในใจแต่ให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆขณะนี้ปัจจุบันนี้ดูณนะจุดเกิดเหตุจริงๆพอเข้าใจไหมพอทําได้ไหม <laughs> วันนี้สรุปนะเตือนไว้ว่าอย่าหลงโลกอย่าหลงโลกแต่ถ้ า, ห ล, ล ห, า ห, ลหลงไปแล้วให้รู้ว่าหลงหลงไปแล้วให้รู้ว่าหลงสิ่งที่จะทําให้เราอยู่กับโลกแล้วหลงก็คือกามถ้าเราไม่หลงกามก็จะไม่หลงโลกดังนั้นสิ่งที่เราจะไปดูคือกิเลส ท, ท, ที่เกิดกับกาม จะดูกามนะดูแล้วมันหลงให้ดูตัวกิเลสที่เกิดขึ้นกับกามคือมีสติรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจเมื่อกี้นี้มันมีอยากได้กามพอได้แล้วพอใจดีใจเกิดราคะให้รู้ราคะอยากได้แล้วไม่ได้เกิดโทสะให้รู้โทสะดูตัวนี้นะรู้แล้วเห็นมันเกิดดับเห็นมันเกิดดับดูมัน มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูในแง่มุมนี้ดูบ่อยๆถ้ามันไม่เห็นไม่ดูในแง่นี้นำทางให้มันก่อนคือสอนไปก่อนสอนใจตัวเองไปก่อนเขเรียกว่าตะล่อมตบซ้ายตบขวาให้มันตรงทางมันจะคอยหลงให้รู้ทันที่มันหลงมันจะคอยเพลินรู้ทันความเพลินนะไม่งั้นแล้วนอกจากจะปีใหม่ปีนี้ผ่านไปโดยที่เราก็หลงละเิงไปแล้วปีหน้าก็หลงอีกเพราะ่า ประเทศเราจะมีกิจกรรมจัดเพื่อความหลงเยอะประเทศไทยเนี่ยเอนเตอร์เทนอันดับหนึ่งเอนเตอร์เทนเก่งใครเรียนด้านเอนเตอร์เทนมาเนี่ยหากินง่าย <g rain> ไม่ตกงานแล้วก็จัดอะไรประกวดประชันในเรื่องของเอนเตอร์เทนไม่มีการประกวดประชันว่าใครมีความรู้ตัว <g rain> ใคร <g rain> มีสติไม่ค่อยมีนะ ไม่เคยมีใครทาบุญเก่งก็ไม่เคยมีมีแต่ว่าจะประกฏดใครเต้นเก่งใครร้องเก่งใครหน้าตาไม่ดีก็ประกวดเฉพาะเสียงมีใช่ไหมใครเต้นเก่งด้วยก็ประกวดอีกแบบหนึง่งโชว์หมดเลยโชว์ทั้งวันทั้งคืนเราก็อยากดูด้วยใช่ไหมได้ทราบว่ า, อ ะ, วาอะไรนะก็เรียกว่ า, าเรียลลิตี้เรตติ้งสูงคนชอบดูส่วนตัวของคนอื่นส่วนตัวเองไม่รู้เรื่องเลย รู้หมดเลยเขาเข้าห้องน้ำกี่โมงอะไรแต่ตัวเองไม่รู้เลยนะมันชวนให้รู้คนอื่นใช่ไหมรู้ข้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งอยู่เดี๋ยวปึ้งขึ้นมาแล้วมีเสียงกวนขึ้นมาแล้วคว้ามาดูใครว่าส่งอะไรมาอีกขณะที่นั้นจิตส่งออกแล้วยังส่งไปแล้วรู้ทันด้วยนะเสียงดังขึ้นมาหงุดหงิดกวนใจให้รู้ทันความหมงุดหงิดแต่ก็ดูต่อไป ดูแล้วโอ้ข่าวที่เขาส่งมาดีจังเลยให้รู้ทันความดีใจความพอใจนะไม่ใช่มัวแต่หงุดหงิดดูดูความสิ่งข้างนอกอย่างเดียวไม่ทันไม่ดูของตัวเอง <c oughs> อุปกรณ์มันซื้อมาแล้วก็ใช้ใช้ไป <c oughs> ซื้อมาแล้วก็ใช้ใช้ไปแต่อย่าให้อุปกรณ์นั้นลากเราออกไปอยู่กับโลกทั้งชีวิตไม่งั้นแล้วเราจะไปอยู่ในข่ายยาน ประเภทว่าจุตูปปาตาญาณให้พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปได้ดูไม่น่าพอใจเท่าไหร่หรอกเราต้องมียานของตัวเองรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้ของเราเองสัตว์อื่นบุคคลอื่นเข้าข่ายญาณของพระองค์ในความรู้ขั้นที่สองคือจุตูปปาตายญาณสัตว์อื่นบุคคลอื่นนั้นถ้าไม่ได้สร้างเหตุที่ดีเขาก็เกิดดับของครอต่อไป แต่ถ้าสร้างเหตุไว้พอสมควรก็จะเกิดทันและไปฟังธรรมพุทธเจ้าถ้าน้อยกว่านั้นก็คือเกิดไม่ทันพุทธเจ้ามาเกิดในยุคหลังๆมาฟังสาวกมาฟังครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนตามคําสอนของพุทธเจ้าเองก็พอยังมีบุญอยู่ฟังแล้วเอาไปทําให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตทาําสติให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตทําสมาธิคือความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตวันนี้ยังไม่ได้พูดถึงความตั้งมั่นเลย พ, พูดถึงแต่สติอย่างเดียวคงจะพอดูเวลาแล้วมันจะไดครบและแต่สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนะจากการเจริญสติคือดูความไม่ตั้งมั่นของจิตให้เกิดความตั้งมั่นขึ้นมาพูดสักนิดนึงให้ครบนะมีสติแล้วยังไม่พอจิตจะยังไม่สามารถสรุปได้ให้เกิดปัญญาได้ถ้าไม่มีความตั้งมั่นของจิตจิตไปรู้เนี่ย ไหลออกไปรู้เนี่ยแล้วรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตเนี่ยบางทีมันออกไปยังเป็นออกอยู่แต่ถ้าจิตที่ตั้งมัน่นมันจะรู้อยู่ที่จิตคนฝึกสติก็จะรู้สภาวะคนทั่วไปฝึกสมาธิก็จะรู้สภาวะแบบส่งออกเช่นจะดูลมก็ไหลยอยู่แต่ลมจิตไหลออกมานะคนยังงงว่าเอ้ดูลมนี่ก็ไหลออกมาแล้วหรือออกมาแล้ว ออกมารู้ลมรู้สิ่งที่ว่าเป็นกายเราเนี่ยก็ไหลออกมาแล้วเช่นอ้าหลับตาลองหลับตากระดิกหูวแม่มือขวารู้ไหมอ่าลืมตาคือตอนรู้เนี่ยมันไหลออกมาไหมมันมันส่งออกมาใครใครทันบ้างมันมีการส่งออกมาว่าเอาใหม่หลับตา คราวนี้รู้ที่ลมหายใจ ท, ที่สองช่องจมูกกระดิกหัวไปโป้งขวารู้ที่หัวไปโป้งขวามีการเคลื่อนไหมเ mm. คลื่อนดูอยู่กระกายเราแท้ๆเลยยังเคลื่อนเลย <c oughs> อ้าวลืมตาได้นี่เป็นโชว์ตัวอย่างเฉยๆโชว์ตัวอย่างของตัวเองนั่นแหละว่ามันมีการเคลื่อนแม้แต่อยู่ในตัวเนี้ยในตัวที่เราเป็นเราเนี้ยมันมีการเคลื่อนออกมาเคลื่อน ก, การเคลื่อนแสดงถึงความไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจึงเคลื่อนการเคลื่อนมันแสดงถึงความไม่ตั้งมั่นของจิตแต่ตอนที่รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปขณะนั้นมีความตั้งมั่นขึ้นมาแวบหนึ่งดังนั้นตอนที่จะรู้ทันถึงความเคลื่อนเนี่ยต้องอาศัยจากการที่เราเจริญสติขึ้นมาก่อนสติรู้ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวนี่แหละฝึกสติให้เห็นสภาวะก่อน คราวนี้มันจะเห็นสภาวะใหม่มันจะไม่เห็นเป็นขณะขณะแล้วไม่ได้เห็นเป็นแค่สภาวะเมื่อกี้ว่าเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะแต่จะไ่เห็นความเคลื่อนเห็นอีกแบบหนึ่งแลวนะเห็นสภาวะอีกรูปแบบหนึ่งเห็นความเคลื่อนของจิตอันนี้เป็นการฝึกให้เกิดจิตที่เป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นอีกแบบหนึ่งคือพอมันรู้ รู้สภาวะอะไรแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจมันแล้วไม่รู้ทันความพอใจไม่พอใจก็เรียกว่ารู้สภาวะแล้วไม่เป็นกลางพอรู้สภาวะแล้วไม่พอใจแล้วไม่รู้ทันต่อมันก็จะไปเกิดโทสะรู้สภาวะอันหนึ่งแล้วพอใจไม่มีสติต่อมันก็จะเกิดราคะดังนั้น บางทีมีสติแวบเดียวเนี่ยแล้วก็เกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างมันก็ยังไม่สามารถจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้มันต้องมีสติแล้วรู้ทันโดยที่เป็นกลางมีความพอใจไม่พอใจมันก็จะทําให้เกิดความแกว่งของจิตความแกว่งขึ้นมาแล้วมันก็ไปเกิดสภาวะอื่นแล้วจิตก็ไม่รู้ทันนั้น ตัวที่เราจะต้องฝึกต่อไปคือหนึ่งรู้ทันที่มันไหลจากการที่มีสติเลยนะรู้ทันที่มันไหลไปไม่ห้ามไม่ห้ามความไหลของจิตแต่ให้รู้ทันตอนรู้ทันนั้นเกิดสมาธิเรียกว่าจิตตั้งมั่นแวบบหนึ่งรู้แล้วเกิดความพอใจให้รู้ทันความพอใจรู้แล้วเกิดความไม่พอใจให้รู้ทันความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจแสดงความไม่เป็นกลาง รู้ทันความพอใจรู้ทันความไม่พอใจขณะที่รู้เป็นกลางฝึกอีกระดับหนึ่งหลังจากที่มีสติรู้สภาวะเห็นราคะเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นกลายเคลื่อนไหวเห็นแล้วรู้ทันความไม่เป็นกลางบ้างเห็นแล้วรู้ทันความเคลื่อนของจิตไปบ้างนี่ฝึกให้เกิดสมาธิเกิดความตั้งมั่นเกิดจิตที่เป็นกลางครูบาอาจารย์จะมีประโยคประโยคหนึ่ง มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแต่เราไม่มีสภาวะนั้นก็ให้รู้ทันที่มันไม่เป็นรู้ทันที่มันไม่ตั้งมั่นรู้ทันที่มันไม่เป็นกลางขณะที่รู้ทันที่มันไม่ตั้งมั่นจะตั้งมั่นแต่แวบเดียวรู้ทันที่ไม่เป็นกลางจะเป็นกลางแวบหนึ่ ง, <l ittle> ร, งรู้อย่างนี้บ่อยเรื่อยนะตรงนั้นก็จะ เกิดปัญญาทำจนเป็นเป็นอัตโนมัติเป็นนิสัยเป็นนิสัยนี่ก็คือแม้ไม่บังคับมันก็จะเห็นแม้ไม่บังคับก็จะรู้ตัวทำจนจนเป็นอัตโนมัติทำเป็นประจำทำในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ทำในรูปแบบที่บ้านด้วยรูปแบบก็คือตั้งเซตเวลาขึ้นมา ที่บ้านสักเวลาหนึ่งจะเป็นตอนเย็นจะเป็นตอนเช้าเช้ามืดอะไรก็แล้วแต่ที่เราสะดวกสวดมนต์ไหว้พระจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็ได้ให้มันเป็นเวลาขออภัยเป็นเวลาประจาของเราทำให้เป็นประจําแม้แต่วันละห้านาทียังดีกว่าทำวันนี้ชั่วโมงหนึ่งแล้วหยุดไปเดือนหนึ่งทำเป็นประจําจะมีอนิสงฆ์มากกว่าพอได้ไ้ย เหมือนกินข้าวนะกินข้าวเดี๋ยวได้เวลากินข้าวแล้วกินข้าวเป็นประจำเป็นเวลาดีกว่ากินเป็นกะละมังแล้วหยุดไปสัสปดาห์หนึ่งใช่กินเป็นประจำดีกว่าใครสงสัยอะไรไหม